นั่นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกนันถึงเรื่องราวของพระพุทิทัดต่อไปเปรนั้นว่าในวันก่อนพระเจ้าพระราณาสีได้ทราบจากอารัมภายว่าจะให้พยายาน่าสแสดงให้ดูพระองค์จึงได้พยายามประกาศทั้แก่มนรษยชนประชาชนทั้งหลายมาชมกัน บรรดาประชาชนหลายก็พากันมาล้อมที่พลังลงนหลวงมาราชกัญญาจะดูพระยาหน้าสแสดงตอนนี้ตามพระวาลีที่กล่าวว่าจะย้อนไปถึงวันที่อาลัมพายจับพระโพธิทัศน์วันนี้จับพระโพธิทัศน์ไปนั้นบรรดานางสมุทชาพระราชมารดาของพระพุทโพธิทัตฝันไปนว่าชายมีผิวดําตาแดง เอาดาบมาตัดแขนขวาเข้าพานางขาดแล้วก็นำไปคล้ายๆกับพนางมาสีฝันคราวที่โชชกจะมาขอสองกุมารแล้วก็มีเลือดหยดเป็นทางทางพนางก็สะดุ้งตกใจลุกขึ้นคลาดูแขนขวาและแขนซ้ายของ น, นางพี่แทราบว่าเอ๊ะนี่แขนของเรามันยังอยู่เลยนะฝันนี่เหมือนกับความจริง เห็นแม่แขนนี่อยู่จึงรู้ว่าไอ้ น, นี่มันเป็นความฝันนางยิงคิดนางยิ่งเฝ้าติดตอ่ออยู่ว่าไอความฝันเรื่องนี้มันจะไปสัมผสัสกับเรื่องอะไรบ้างมันจะเป็นความดีหรือความร้ายเป็นเรืการใดอาจจะมีอันตรายแก่ลูกทั้งสี่ของเราก็ได้เพราะท่านมีลูกสี่คนไอแ้แขนขวาแขนซ้ายนี่ก็หมายถึงลกูกไง เดังนั้นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระโพธิทัศน์ถ้ามีความหอมพระโพธิทัศน์ยิ่งกว่าคนอื่นเพราะว่าผู้อื่นก็ยังอยู่ในหน้ากบิภพทางนั้นซ้ําแต่ว่าโพริทัศน์ไปรักษาวโวสถจิในเมืองมนุษยสโลกให้เจ้าหมองมูคนดีหรือว่าครูคนดีาอาจจะจับเอาไปเสียด้ก็ได้เพราะว่าคนนี้มีความมีใจร้ายเนี่ย ไอ้ครุฑนี่ยงไปอันตรายกับพญานาคเห็นว่าพญานาคเป็นอาหารสำหรับเจ้าหมอ ง, งกมูก็ไมนกันมีสันดานผ่านอาจจะจับลูกชายไปฆ่ากินแล้วไปขายสันด้เพราะเป็นงูใหญ่มีราคามากเป็นว่าพอล่วงเวลาประมาณคือบครึ่งเดือนหนึ่งเดือน นางก็ยิ่งเศร้าใจยิ่งขึ้นคิดว่าบุตรชายของเราไม่เคยหายหน้าไปเกินหนึ่งเดือนเลยบุตรชายของเราอาจจะได้รับอันต ร, รายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แค่จะแน่ใจว่าลูกชายม่อันต ร, รายนางเฝ้ารำพันลำพึงอยู่อย่างนี้จนแทบหัวใจจุวายคือไม่สบายเพราะรักลกูก อาศัยความเหือดแห้งตาทั้งสองก็ฟกบวมขึ้นมานางเฝ้ามองดูทางที่พระพุทธทัตเคยเสด็จมาหาทำหนึงอยู่ว่าเมื่อไร่ลูกชายขเขาราจะมาและเวลานี้ลูกชายขเขากำลังเดินมาแต่ยังไงยังไงมองเท่าไรเท่าไรไม่เห็นลูกชายมาก็หนักใจยิ่งขึ้นฝ่ายท่านโสทัพ บ, บุตรคนใหญ่ เมื่อถึงก็หลดหนึ่งเดือนก็พากันมาพาบริษัทมาเยี่ยมมารดานาสมุตชาก็ไม่ได้เปล่าใสเขไม่พูดจาด้วยเพราะเสียใจนึกถึงลูกชายคนที่หายไปท่านสุดท้ายก็ยิ่งสงสัยยิ่งขึ้นเห็นพระพักของพระมารดาพกช้ำไม่ผ่องใสก็ยิ่งแน่ใจว่าจะต้องมีใครมาทำให้มารดาโกรธเป็นแน่ หรือว่ามิเช่นนั้นก็จะต้องเกิด อ, อันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นยังได้ดูนทวนถามพระมารดาเพราะนาสุตย์ชายจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่านัดตั้งแต่ตั้ง ต, ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องความฝันๆนะไม่ถึงย้อนกันแล้วก็ชวนว่าเราไปอยู่ที่อยู่ของโพธิธัตุเดียวนี้เถอดจะได้ดูน้องของเจ้าว่าเป็นอย่างไรบ้าง ฝ่ายนานาควิกาได้ปฏิบัติพระโพธิทัตทุกๆเช้าพวกนั้นนะเมื่อไม่เห็นพระโพธิทัตที่จอมปลวกก็เข้าใจว่าพระโพธิทัตอาจจะเสด็จไปอยู่กับพระมารดาไม่เห็นไระมารดาพาบริวารมาตามพระโพธิทัศตถึงนี่เวชินนั้นยังไม่รู้ว่าพระมารดาก็ไม่ได้พบพระโพธิทัตเหมือนกัน ไม่เป็นนั้นว่าบรรดาสตรีหน้าทธิหลายที่ไปปฏิบัติไปที่จอมปลวกไม่เห็นพระพูทชัดก็เข้าใจว่าพระพุทธทั์ไปอยู่กับแม่จึ่งนี่ออกมาต้อนรับแล้วก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าทรงทราบแล้วก็ต่างคนต่างข้ามคนลำพันธ์แทบเท้าคนนาสมุทรชานาสมุติชาพร้องไปยินสะพยทั้งหลายต่างก็รอ้องไห้เอาที่สบายแล้วยคนนี้ ร้องไห้เดินลำพันพากันไปถึงปริาัทของของพระผู้ดิทัทธ์และก็ดูเห็นที่นั่งที่นอนว่างเปล่าในเวลานั้นนั่นเองนิเวศของพระผู้ดิทัทธ์ก็เสียงแซ่โศกสรรหันสาไม่ใช่หันสารโศกเศร้ามัยก็คลื่นในมหาสมุทร ท่านบอกว่าแม้แต่คนคนหนึ่งท่านไม่มีคนใดตนใดสักคนหนึ่งไม่มีใครที่จะทรงกายอยู่ได้เพราะว่าพระพุทธปิทัศน์เป็นท่านดีมากอะ่ะเป็นที่รักของคนทุกคนทั่วทั้งนิเวศเ ก, กือนเป็นเหมือนป่าไม้รงังถูกลมพัดหล้มล้มระเนระนาดไปหมดเพราว่าอย่างนั้นเปรียบเทียบกันนะนอนกิ้งนอนเกลืนอนลร้องไห้กันนะั่นแหละ ฝ่ายพี่น้อยสองคนคืออริ tha และท่านสุโภคะก็พากันมาพบพระราชนีได้ยินเสียงร้องไห้งสนาดังสนั่นแบบนั้นจริงเข้าไปในนิเวศของโหริทั์เพื่อจะช่วยปลอบพระมารดาแต่ว่าพระมารดาก็กลับกล่าวว่าถ้าพระนางไม่ไดพบพระภูริทัตคืนวันนี้ แล้วก็น่ากลัวจะมีชีวิตอยู่ไม่นด้เห็นเะยต้องตายบุตทั้งสามยันได้รับรองว่าพมานได้ยาเสาโศกไปเลยพระเจ้าค่ะลูกทั้งสามจะเที่ยวสืบสะห า, าพระโพธิทัตน์มาให้ได้ภายในจิตวันเมื่อบุทั้งสามยในไดพากันแยกกันไปค้นหาตกลงกันว่าพูนใ ด, ดพูนหนึ่ง มาคนหนึ่งนุ่นไปเที่ยวพรหมมาไปไปเที่ยวทิวทัศนโลกมาดูที่ดีไม่ดีว่าผู้ิทัศน์ไปอยู่ที่นั่นอีกคนหนึ่งไปฝป่ายหิมะพานอีกผู้หนึ่งไปมนุษสสโลกสําหรับอริฐานั้นเป็นผู้หยาบช้ากล้าแข็งไม่ว่าว่าเป็นคนดุนะถ้าจะให้ไปมนุสสโลกหากไปพบผู้ปฏิทัศน์อยู่ที่บ้านหรือเมืองใดเข้า ก็จะเกิดเผาบ้านเผาเมืองนะให้พินาฏไปยิงปล่อยให้ไปเมืองเทวดาไปเทวโลกหันให้ท่านสุโภคะไปยังป่าหิมพานต์ส่วนท่านสสทั์เองจะไปมนุสโลกเพราะเป็นคนมีใจดีหน่อยมีอารมณ์เยือกเย็นยิงด้แปลงเพศเป็นฤาษีแล้วก็ เพระเพศดาบทฤสีขึ้นมาไปชิดย่อมเป็นที่รักใครเจริญใจขมันดาผวกมนุษย์เพ่งกล่าวว่ายังมีนางนาคน้องสาวต่าง ม, มันดาของพระโพธิทั์อีกองค์อีกท่านหนึ่งที่ว่าอัจจิมุขีนางนี้รักพระโพธิทัตมากขออาสาติดตามพระสุทัตไปด้วยตามหาวีชายในมนุษยโลก โดยแปลงเป็นเขียดนะนอนไปที่เชนดาของท่านสุทัศน์ <c oughs> ท่านสุทัศน์ได้ออกติดตามตูตรา <c oughs> ท่านสุทัศน์ได้ออกติดตามตูตราไปถึงที่พระโพดีทัตจ้าสาโบสดศีนและเห็นเลือดและเท้าวันอยู่บนจอมปลก ก็รู้ว่าพระภูดิทั์ถูกหมองูจับไปแล้วก็สงสารน้องชายจนน้าตาไหลแล้วก็เดินสะกดลอยตามไปจนถึงที่อารามพายให้พระภูดิทั์แสดงครั้งแรกเที่ยวถามชาวบ้านว่าเห็นหมองูเอานาามีลักษณะอย่างนี้มาเล่นในบ้านนี้บ้านหรือไม่ชาวบ้านก็บอกว่า บอกให้ฟังตามลำดับถ้าคุณท้ายก็ติดตามไปเรื่อยๆจนถึงประตูพระรยชฐานวันที่จะมีการแสดงใหญ่ของวิญาน่าให้พระเจ้าพาราณสีตบประชาชนชมขณะนั้นอารัมพายอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ยกกระโปรงแก้วไปยังหน้าพะราน ประชาชนมามุงดูกันเป็นอันมากรอพระราชานะั่นแปลนมากนะแต่เดี๋ยวก่อนหัวยังไงบรรดาประชาชนมาประชุมดูกันมากมายเนะี่ยพระราชาอาจก็จัดไปพร้อมแล้วเพื่อที่ประทับของพระราชาแต่ว่าพระราชายังไม่ได้เสด็จออกแล้วก็มีรับสั่งให้อลัมพายเล่นไปก่อนเถิดเพราะเวลานี้ยังไม่สง่าง อารัมพายจึงได้เปิดกระโปรออกมาแล้วให้สัญญาว่ามหานาคขอจงออกมาเถิดเวลานั้นท่านสุทัศน์ได้ยืนอยู่อยู่ข้างท้ายประชาชนญญาพระภูกกริททยกระโปรศิษะออกมาแล้วมองดูไปรอบๆเห็นท่านสุทัศน์พี่ชายจึงเลื้อยเอาไปจากกระโปรงตรงเข้าไปหาน้ำตาไหล หมายชนนี้ไม่ยาหน้าเลยมาก็ตกใจรีบถอยหลังกลัวพรยานอาจะริงงานเขา้าถอยหลังไปหมดคงยืนอยู่แต่ที่แต่ว่าท่านสุทัศน์คนเดียวพระภูดีทัยก็เปทบเสียงร้องไห้ในที่พระหลังพบายของสุทัศน์ท่านสุทัศน์ก็ร้องไห้เช่นเดียวกันแล้วพระภูดีทัยก็เลื่อยกลับมาเข้ากับโรง ส่วนอลัพายเข้าใจว่าดาบทูกพยาหนหากัดริงรีบเข้าไปปลอบว่าหน้ากลดมือไปกัดท่านเท้าของท่านเข้าเห็นจะไม่เป็นอะไรมากประเดี๋ยวก็จะหายหน้าตัวนี้ไม่มีพิษพอที่จะทำอะไรใครได้ชนิดเดียวหมองูในเมืองนี้มีอยู่สักเท่าไหร่ก็ไม่ดีไปยิ่งไปกว่าเราท่านสุทัพน์อ นี่ท่านสุทัศนบอกนะท่านโุท่านบอกว่าไอ้หมองโงูในเมืองนี้นะหน้าตัวนี้มีมีพิษไม่มีพิษพอจะทำอะไรเราได้สักนิดเดียวเนะี่ยท่านสุทัศนคุยบอกหนะ้าตัวนี้ตอนนั้นท่านเป็นดาวดบไม่สามารถจะทำอะไรเราได้แล้วหมองโงูก็เหมือนกันที่เก่งที่สุดในเมืองนี้ไม่สามารถไม่มีใครสู้เราเราเก่งกว่า รำพายไม่รู้ว่าท่านสุทันดาบทเป็นใครจรึงโกรธทีนี้ก็พูดว่าคนอะไรแต่งกายเป็นดาบทเข้ามาพูดอดดีท่าทายในที่ประชุมคนนั่งหลายจงได้ยินไปด้วยบอกบรรากาศนะวัดนี่ดาบทมาท้าฉันฉันเป็นหมอหงูขั้นพิเศษแต่ดาบทก็มาเบ่งว่าเก่งกว่าประเดี๋ยวจะได้เห็นกัน ท, าาานะ ท, าทา่านนั้นหลเป็นพยานค่อยดูนะถ้านท่านยังว่านี่นะหมองอ้ท่านจงต่อสู้โดยหนกักนะท่านจงต่อสู้โดยหนกักเราจะต่อสู้โดยเขียดเอาเขียดกับหนันกมาสู้กันเห็นไหมเราเอาเรามาพันลันเกอาเดิมพันกันสัตว์อะไรก็เอา เอาท่าไรเอาก้อนัก5 0 0ห้าพันไปยังไงเอาลำพายกันจะบอกว่านี่พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มแกจะอวดเก่งนะชั้นหนึ่งในตองโอนะฉันมีคาถาพิเศษแกจะปล่อยเกียดมาให้เป็นอาหารหน้ากองฉันยังไงน่ะลเอาตกลงผิววะเขาว่ายัางไงว่าพ่อหนุ่มเราเป็นคนมีสมบัติมากาท่านเป็นคนจน ใครจะไปรับประกันพระท่านใดฝ่ายเรานี่มีคนประกันแน่นแน่นอนถ้าเราจะเดิมพันเษาสักห้าพันชนีแล้วก็เอา้าหาคนมาประกันกันเอาเงินมาวางกันท่านทูทัานนี้ว่าเอาเถอะเราตกลงวางเดิมพันห้าพันเราจะหาคนมารับประกันให้ว่าแล้วก็เข้าไปในพระราชนีเวท ไว้พ่อไว้เจ้าพารานสีกราบททนในซาบวาห้าแต่พระมหาบพิตรขอได้โปรดฟังของของกาถ้อยคาว่าตมาพระองค์เป็นสู้มาเป็นผู้ทรงมีเกียรติคุณมากขอได้โปรดรับประกันซับเพียงห้าพันนี้เถิดไปเจ้าค่าพวะเจ้าพาราณสีรประหาัประเทศไทยวันดาบทองนี้นี่ ขอราย ก, กันทรัพย์มีเจนนนมากมายเกินไปเรื่องอะไรกันแล้วที่ด้ตัดถามว่ามันมันเรืองแปลกใจนี่มันเรื่องอะไรกันที่เนตัดว่าท่า น, นาบทท่านมีหนี้สินขอามบิดาหรือว่าเป็นมารดาของท่านที่เนขอทรัพย์ข้าพเจ้ามากมายอย่างนี้เพราะว่าอาลัมพายจะกําจัดข้าพเจ้าได้นา่ากัตมาจะกําจัจาดในโลกเขียด ท่านฤษว่าอย่างนั้นนะว่าท่านกราบทูลว่าอารามภายเนี่ยได้ดาบทกราบทูลให้าสตร์ว่าจะกําจัดเข้าไปเจ้าได้นานในเข้าไปเจ้าจะพยายามกําจัดอาราหน้าโดยหลอกเขียดขอพระมาหาพระพิจิตเสด็จมาทอดเสน่หในการต่อสู้อันจะอันหน่าดูนั้นเถิดพระเจ้าค่ะ ตอนนี้พระเจ้าพารานาสีแปรใจจะเอาลูกเขียดลูกเขียดไปอาหารของนาคแต่ว่าดาบบทคนนี้คงจะมีฤทธิ์มากจะเอาเขียดสู้กับนาคให้พรเจ้าพารานาสียินไดตกลงเงินห้าพันพระราชาไม่หนักและจริงได้เสด็จมาพร้อมกับท่านดาบบทอาลัมภัยเห็นเช่นนั้นก็ตกใจเข้าใจว่าดาบบทคนนี้เขาจะเป็นวันประชิตในพระราชสำนัก จึงสามารถเชิญพระราชาออกมาได้แล้วเยผู้กันดาบทว่าค่าแต่ดาบทเขาไอเจ้ามิได้ดูหมินท่านโด ย, าาาย้างศีนปศัตรียางใดแต่ถ้าว่าท่านท่านลงในศีนปศะาาตร์มากเกินไปไมิได้ยำเกรงนาดท่านโสทกเนีบอกว่าดูคนพรามถึงตัวเราไม่ได้ดูหมินท่าน เราเองเราก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านโดยาศาีลประสาทแต่แต่ว่าท่านที่รอดลงประชาชนด้วยหน้าที่ไม่มีพิษถ้าคนอื่นเขารู้ว่าหน้าของท่านไม่มีพิษสงอะไรแม้แต่แกลบสักกำหนึ่งท่านก็ยังไม่ได้รับไม่ต้องเยาว่าถึงทรัพย์สมบัติที่ท่านได้มาอาลัมพายทิงได้กล่าวว่า ท่านดาบทนี่โง่เง่ามากมาดูเหมินว่านาคชนิดนี้ไม่มีพิษเข้ามาให้ใกล้ชิดจะดูเดียว่านาคตัวนี้เต็มบริฤิตเด็ดอย่างยิ่งเราเข้าใจว่านาคนี้สามารถจะทำให้ท่านแหลกเป็นขี้เท่าไปในพิษตาเดียวถ้านฤทัดติลบอกว่าพิษของงูเรือน หรือว่างูปลาหรือว่างูเขียวยังจะพอมีอยู่บ้างแต่ว่าพิษของนาคศีสาสแดงนี้ไม่มีพิษเลยอภ า, ภาดัมพาโกรธแต่ว่าท่านดาบทพระท่านสอนว่าไม่ว่าให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปสวรรค์การณ์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ มีสิ่งใดที่ท่านจะให้ทานได้ก็จงให้เสเถิดเมื่อท่านตายไปแล้วเน่ยจะได้ไปสวรรค์นี่หมายความว่าถ้าไปสู้กันหน้าดัดตายแงะแกแหมันเขาเก่งมากครับเก่งมากเมื่อท่านตายไปแล้วจะได้ไปสวรคววสควสวรค์หน้าตัวนี้มีฤทธิ์เด็ดมากถ้าอยากญาติใครจะร่วมเกินไปได้ เราจยกให้กัดท่านจะทำให้ท่านต้องวิงนาเป็นกีเท่าไปในในในในในวินาทีเดียวท่านสุทัศน์จิงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยตัวเราได้ฟังคำสอนเหมือนกันเหมือนกับท่านเหมือนกัน้ายกให้ทานแล้วจะได้ไปสวรรค์ท่านจงรีบให้ทานเชียเถิด ลูกเขียดน้อยของเรามีฤทธิ์มากกว่านาทอย่างนี้เยอะแยะหน้าตัวนี้มีฤทธิ์เท่ากับลูกเขียดของเราไม่ได้ไม่เท่าลูกเขียดของเรานางเป็นทีดาของท้าทศรสนางเป็นน้องสาวต่างมารดาของเราเราจะให้กัดท่านและจะทาให้ท่านพี่นาทเป็นขี้เท่าเช่นเดียวกันโอ้โหมาสู้กันสิ มั้เลากัให้อยู่ไปเขานี้ลูกเขียดกับนาคจะฉากันละ่ะฝ่ายหนึ่งจะให้หนักเล่ ง, งานอีกฝ่ายหนึ่งจะให้ลูกเขียนไลย ง, งานว่าแล้วท่านสุทัศดาบทก็แแ บ, บมือเลือดน้องสาวออกมาจากฉาดนางอาจิมุขีจึงได้ออกมาจับอยู่ที่จะงอยปากจะงอยบา่าแล้วก็กระโดดลงไปฝ่ามือค <c oughs> ายพิษออกมาสามหยด แล้วก็กลับเข้าไปในทศดาอีกท่านสุทัศน์ถือพิษยืนอยู่แล้วเปล่งเสียงเีินสามครั้งว่าชนบทนี้จะพินาศเร้วหนอชนบทนี้จะพินาศเร้วหนอเสียงของท่านสุทัศน์ดังไปในรัศมีสิบสองโยต์จำานกความเป็นทิพย์ท่าจีนดานแค่ไหนก็ได้ พระเจ้าพาราลาศีนักถามว่าชนบทนี้จะพิาุเพ่ออะไรกันท่านลาบทลาบทึ่ได้ถวายพระพรมาฆ่าแต่พระมหาบอพิษอาตมาภาพมองไม่เห็นว่าจะหยดพิษนี้ลงที่ไหนเพราะว่าพิษที่เขยดหยดลงมาในมือข้าพระพุทธเจ้านี้มันมีฤทธิ์มากสามารถจะไหม้ไปทั้งชนบท พระเจ้าพารานาสีในตัดว่าทัานดาบทแผ่นดินออกใหญ่หยดลงไปหยดมาลงไปเถิดตรงไหนก็ได้ทันดาบทกก็บอกว่าถ้าหยดลงบนแผ่นดินแล้วพระมหาะวะพิษเจ้ทรงทราบเถิดว่าต้นหญ้าและทวันลูกกชาตาทั้งหลายจะ ต, ต้องเหี่ยวแห้งหมดไม่ต้องสงสัย หมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ต้นไม้ก็ตายหมดคนก็ตายพระเจ้าพาราณสีนี่ถามว่าถ้าเช่นนั้นน่ะถ้าจะคว้างบรรยากาศท่านก็ฟวางบรรยากาศสิท่านดาบทสุดท้ายก็บอกว่าถ้าคว้างขึ้นไปบนอากาศฝนและหิมะก็จะไม่ตกทิ้งเจ็ดปีพระเจ้าพาราณสีนี่กล่าวกล่าว่าถ้าเช่นนั้นจึงจดลงไปในน้ำสิท่าน ท่านสุดท้ายก็บอกว่าถ้าหยุดองปฏิน้ำสัตว์น้ำทั้งหลายมีเท่าไดก็จะตายหมดพระเจ้าพาราลณสีนี้กัดว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านจงแนะนำบอบายที่จะไม่ให้เกิดความวินาศขึ้นในชนบทนี้ก็แล้วกันท่านฤาษีสุทัศนีกราทูลว่าถ้าขนาดขอพรรองค์จงมีพระบัญชา ให้ขุดบ่อสามบ่อเรียงกันในที่นี้พระเจ้าพาราณสีเจ้าให้ขุดบ่อสามบ่อเรียงกันท่านโสทัศน์จึงบรรจุบ่อหนึ่งให้เต็มไวปด้วยพิษอีกบ่อหนึ่งเต็มไปด้วยโคมัยอะไรนะให้บรรจุบ่อหนึ่งเต็มไปด้วยยาพิษอีกบ่อหนึ่งเต็มไปด้วยขี้วัวแล้วบ่อที่สามเต็มไปด้วยยาพิษ นี้ก็หยดลงพิษลงไปในบอ่อที่หนึ่งทันใดนั่นเองก็เกิดเป็นควันเกิดลุกเป็นเปลีวไฟลามไปทั่วทั้งบอ่อที่หนึง่งที่สองที่สามไม้ยาพิษหมดลงแล้วจึงดับอาลำพายยืนอยู่ ใ, นในกล้บ่อถูกไอควันพิษฉายเอาผิวหนังลอกไปกลายเป็นขี้เลื่อนด่างไปทั้งตัวนคนทำลายมิด จึงร้องขึ้นในเสียงอันดังว่าข้าพเจ้าจะปล่อยนาคละ ส, สามครัง้งหมกนี่ตอนนี้ไปฉันจะปล่อยนาคให้แรงงานนายละแหมเล่นเดยฉันเป็นกีเลีอนแบบนี้ทนไม่ไหวเมื่อท่านมาพุทธิทัตได้ยินอย่งนั้นจึงได้เลื้อออกจากกระโรงออกจากกระโรงแก้วแล้วก็นิริติกายบรรดาบบรรดาไบุรีเครื่องบรรดาบเป็นงามสง่าพระดุจเทวราช ท่านสุทัศน์และอาจิมุขีก็มายืนอยู่กับพระโพธิทัศน์แล้วท่านสุดท้ายก็เลยถามพระเจ้าพาราณสีว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระองค์ทรงรู้ว่าข้าพระองค์ท่านสามคนนี้เป็นลูกใครหรือไม่พระเจ้าพาราณสีที่ได้ตอว่าฉันไม่รู้ จะรู้ได้อย่างไงเล่าไปโทรท่านดาบด ท, ท่านดาบทก็เป็นดาบด ท, ท่านงูก็เป็นงูท่านเขียดก็เป็นเขียดฉันจะรู้ว่าท่านเป็นใครท่านสุทัศนีกรทูลว่าพระองค์ทรงทราบเรื่องที่ยกนาวสมุทชาให้แกท้าทศรถหรือเปล่าพระเจ้าพระราชาตรัสแต่เพราะเรารู้ นาสมุตชานั้นเป็นน้องสาวคนเราเองท่านสุทัธินิกาทุนว่าข้าพระบาทดังสามเป็นลูกของนางสมุตชาและก็พระองค์เป็นพระเจ้าลุงพระเจ้าข่าพระเจ้าพารานาสีสงสดับอย่างนั้นก็ทรงเข้าสวมกอดแล้วก็จกูบคนดังสามพรางต่างคนต่างก็รอ้องไห้ตอน น, อนี้อ่านเสียงสนุกดะ่ะ มึงก็ร้องไห้กูก็ร้องไห้ก็ว่าไปนี่เรื่องของการร้องไห้แล้วทั้งหมดก็พาเกันขึ้ น, นบนประสาทจัด ก, การต้อนรับกันไปนอย่างดีถามพระโพธิทัน์ว่า พ, พ่พอโพธิทัศน์พ่อมีฤทธิ์เดชทั้งเพียงนี้ทําไมให้อลัมพายจับได้ท่านพระโพธิทัศน์จินทุนเรื่องทั้งโปรงทั้งหมดโดยพิสดารให้ทราบทันแล้วท่านสุทัศน์จินทุนว่าข้าแต่พระเจ้าลง ถ้ามารดาของข้าพระองค์ยังตัดกลุ่อยู่ข้าพระองค์ไม่อาจจะโยช้าได้พระเจ้าพาดาณสีทีด่ดนสวรรค์ดีแล้วก็จงพากันไปเถิดแต่ว่าลุงอยากจะพบน้องสาวของลุงบ้างจะทำยังไงจึงจะได้พบกันท่านสุทัน์ยังบอกว่าถ้าพระเจ้าลงุงข้าแต่พระเจ้าลงุงพระเจ้ากาศิกราช ผู้เป็นพระยากาของข้าพระองค์เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะพระเจ้าพา ร, ราณสีเนี่ยกว่าพระเจ้ากาศิกราชนั้นเพราะเหตุที่ต้องพลัดพรากจากน้องสาวของลงุงจึงไม่สามารถจะทรงเสวยราชสมบัติได้ได้ออกบทเสร็จแล้วและพระเด็จอยู่ในพรยสนแห่งโน้นในปิปปา ท่านสุทัศนีย์กราวทนว่า oh ข้าแต่พระเจ้าล um ุงพระมารดาของพระองค์จะพบพระเจ้าลุงอายการได้ที oh ่ไหนลุงแล้วก็อายการนะคือตาด้วยพอถึงวันโน้นขอให้พระองค์สัเด็จไปยาสนะข้าวอายการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปยังอาศมนั้นและพระองค์จะได้พบพระมารดาในที่นั้นด้วย เมื่อกำหนดนัดหมายกันวันคืนจนเสร็จแล้วท่านองสามก็บังคมลาจากพระราชนิเวกกลับไปยังหน้าคบี่พบเป็นอันาลูกหลานที่รักเรื่องนี้มันก็ยังไม่จบแต่ว่าเวลาหมดพอดีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่ท่านเจ้าท่าเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกคน ถ้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็ลูกหลานี่รักสวัสดี